นะเป็นทุกข์ที่เกิดจากการที่เราทำเองนะไม่ไม่ว่าคนอื่นเขามาหลอกเราละคราวนี้ว่าตัวเราเองละว่าตัวเราต่างหากละก็ไปไปเชื่อตามๆนั้นเองอะ่ะเราไม่ฉลาดที่จะศึกษาหาความรู้หาความจริงเราก็เลยโดนหลอกไปนะซึ่งเขาก็ทำกันอย่างนั้นของเขาอะ่ะจนบางทีบางคนที่เขาทาทาอยู่เขาเชื่อว่าเขาทาดี แล้วเขาก็ทําถูกต้องเขาเชื่ออย่างนั้นจริงๆแต่เอาละเขาเชื่อก็เชื่อไปเถอะแต่ถ้าเราได้เรียนรู้เราได้เข้าใจนะหลักฐานอะไรต่างเราก็มีว่าโอ้พระเจ้าท่านสอนอย่างนี้นี่ท่านตรัสอย่างนี้นี่นะเราควรจะมาทําที่ถูกต้องที่ดีอย่างนี้มากกว่านะแล้วก็จะช่วยทําให้ทั้งเครือญาติผู้ตายก็เบาภาระลงนะไม่ต้องไปอดหลับอดนอนไม่ต้องไปบางทีแม้แต่กลัว หรือกลัววิญญาณกลัวอะไรต่ออะไรด้วยนะพูดมาถึงเรื่องนี้แล้วก็ก็ขอแถมสักนิดนึงนะเพราะว่าบางคนก็ยังยังยังไปเชื่อผิดผิดอย่างที่ทั่วๆวไปเชื่อเชื่อกันเนี่ยนะเรื่องผีเรื่องวิญญาณเรื่องอะไรต่างๆเชื่อว่าเนี่ยเนี่ผีเนี่ยก็มีตั ว, ม, ตวมีตนอย่างนั้นอย่างนี้มาวันนี้เองอะ่พะพอดีอาจรมาก็เดินผ่านเด็กพุทธธรรมกลุ่มหนึ่งนะ่ะไปนั่ง ก็จุมปุ๊กกันอยู่ห้าหกคนแนละ้วอยู่มุมมุมตรงตรงโคนเสากุดของสิขมาศนะเอ๊ะม่นั่งจอมกันอยู่ที่มุมไปทําอะไรเดินผ่านนะนะก็เลยเงี่ยหูฟังดูใหญ่ที่ว่าเขาคุยอะไรกันห้าหกคนปรากฏว่าคุยกันเรื่องผีแต่ดูท่าทางแล้วแต่ละคนนะนั่งติดกันเลยนะนั่งตัวติดกันเลย บอเอนี่ขนาดวัวกลัวก็ยังคุยกันเรื่องผีอีกแต่ก็ไม่ได้ไปฟังอะไรเขาหรอกนะก็พอดีก็เดินผ่านมาแล้วก็เลยเอาเยี่ยหูฟังหน่อยเท่านั้นเองไอ้ว่าเขาคุยอะไรกันก็จะยินคําว่าผีผีผีอะไรก็ไม่รู้นะเสร็จแล้วก็เลยเอา้าก็ขำๆอยู่ในใจว่าเออเด็กก็ยังคุยกันแต่เด็กเนี่ยหลายรายเลยที่เจอแล้วถ้าถ้าถ้าเป็นเด็กที่มาที่ทางอาโศกเราเนี่ย ก็อาจจะได้ยินได้ฟังเรื่องของผีเรื่องของวิญญาณในทางที่ถูกต้องเนี่ยได้มากขึ้นนะก็จะไม่ค่อยกลัวไม่ค่อยอะไรนะแต่ถ้าไม่ได้ยินได้ฟังมาเนี่ยจะกลัวเพราะว่าทุกวันเนี่ยเราเรียกว่าที่เรากลัวผีเนี่ยนะเพราะเรามีโรงผีอยู่ที่บ้านอะไรคือโรงผีเออทีวีโทรทัศน์โดยเฉพาะยิ่งยิ่งยุคหลังๆช่วงหลังๆเนี่ย นะ้าหนังเออยละครเออย์นี่โอ้โหชอบสร้างหนังผีเยอะเลยนะไล่มาเลยนะจะนังมากก็ตามจะผีปอบอะไรปรอบผีฟ้าตอนนี้เออตอนนี้ผีหัวขาดมั่งอะไรมั่งเสร็จแล้วนะเด็กก็ได้ดูด้วยอะเราไม่ได้มีว่าเซ็นเซอร์อะไรนี่ที่ ท, ที่แบบว่าไม่ให้เด็กดูอย่าว่าแต่เด็กเลยจริงๆนะ เด็กบางทียังดูรู้เรื่องมัง่งไปรู้เรื่องมัง่งผู้ใหญ่นั่นแหละดูดูแล้วผู้ใหญ่ก็กลัวอย่าว่าจะเด็กเลยเพราะว่าผู้ใหญ่ก็ก็ยังไม่ได้ศึกษาไม่เข้าใจก็คิดไปตามที่หนังสร้างะเป็นผีกระสือก็ยังไงก็มีแต่หัวแล้วก็ไส้ลอยตองแต่งตองแต่งล อ, อยมาเอา้าแล้วก็คิดอย่างนั้นจริงๆใช่มพอพวกปลอบเป็นไงปลอบก็เวลาเขาสร้างก็เป็นอะไรเป็นผู้หญิง แกแ่ๆหน่อยเหลืองๆตัวห น, หน้าหน้าตาดูโอ้โ ห, หน่ากลัวหน่อยอเสร็จแล้วพอดูเนี่ยดูโรงผีพวกนี้มากๆเข้ามากๆเข้ามากๆเข้าคือไอ้ที่มันเป็นประโยชน์เป็นสาระเป็นสิ่งที่ดีเนี่ยเราก็บางทีดูแล้วก็ผ่านๆก็ไม่ค่อยได้ไปจดไปจำมันแปลกตรงเนี่ยพอดูหนังผีๆนี่โอ้โหจำแม่นจำดีนะรู้สึกว่าปกติเนี่ย ให้อ่านหนังสือเรียนจะไปให้สอบนี่รู้สึกจำไม่ค่อยเก่งแต่พอดูหนังปีผีนี่โอโ้โหจำแม่นเสร็จแล้วเป็นไงพอดูเสร็จมันก็ฝังเข้าไปในจิตใจเนี่ยแล้วก็กลัวกลัวจริงๆบางคนเนี่ยทเป็นแหมอยู่เวลาดูหนังพวกนี้นะดูเสร็จทำเป็นหัวเราะหัวรเราะแหมทำเป็นขำขำแต่พอคราวนี้ดิ อยู่คนเดียวอะคนนี้ชักขำไม่ออกละเพราะว่าไอ้ไอ้ไอ้ที่จำจำมานี่โอ้โหผีมันเก่งอย่างนั้นเนี่ยผีมันเก่งอย่างนี้มันมีอำนาจมันมีฤทธิ์เดชโอ้โหจะมาฆ่าคนจะมาทำร้ายคนได้ต่างๆงานานาคนสู้ไม่ได้เลยหนังส่วนใหญ่สร้างอ่ะเห็นไหมคนสู้ไม่ได้หรอกคนแพ้ผีส่วนใหญ่จนกระทั่งต้องถึงตอนจะจบอ่ะถึงตอนสุดท้ายใช่ไหมถึงจะพอมีครูอาจารย์มีอะไรมาจัดการผีหน่อย นั่นแหละส่วนใหญ่ไปงานแต่จริงๆแล้วแพ้มาเกือบตลอดเรื่องอะ่ะจนใกล้จะจบถึงไปชนะก็จึงเดียวแล้วแล้วคนจะไม่กลัวได้ไงอะ่ะก็ส่วนใหญ่มันแพ้ชนะมันชนะนิดเดียวแล้วก็จบมันก็ปลูกฝังไอ้จิตสำนึกหรือว่าไอ้ความรู้สึกที่โห oh, ผีมันมีฤทธิ์มันมีอำนาจมันน่ากลัวอย่างนั้นอย่างนี้นะยิงก็ไม่เป็นไรแทงมันอะไรต่ออะไรไม่เป็นไรทั้งสิ้น วันนี่แหละแล้วในที่สุดก็เลยกลัวกลัวในสิ่งที่จริงๆแล้วผีนี่มันไม่มีตัวไม่มีตนอย่างนั้นเลยผีเนี่ยส่วนใหญ่เป็นสิ่งคนสร้างขึ้นมาผีเนี่ยเป็นสิ่งที่คนสร้างขึ้นมาทั้งนั้นเลยผีจริงๆ ท, ที่ที่เขากลัวๆกันเนะ่ะมันไม่มีหรอกถ้าไม่ใช่ที่คนสร้างขึ้นมาแล้วเราไปจําเป็นอุปทานไปนะแต่ต่างจากวิญญาณวิญญาณนี่มีจริงเพราะ ไม่ว่าคนไม่ว่าสัตว์ทุกคนต้องมีวิญญาณถ้าใครไม่มีวิญญาณเขาเรียกว่าอะไรฮะถ้าคนไม่มีวิญญาณเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะเอาเรียกว่าคนตายมาั่งเรียกว่าศพมั่งเรียกว่าบางคนก็เรียกว่าผีก็มีเห็นไหมใช่ั้มคนที่ตายแล้วเนี่ยบือทีเขาก็เรียกว่าผีใช่ไมคือคือเป็นศพนั่นแหละคือคือคือ คนในเมืองไทยเนี่ยบางทีใช้มั่วหมดเลยเพราะว่าเขาไม่เข้าใจแล้วเขาก็ไม่รู้จักแยกแยะก็เลยปรากฏว่าจะเป็นศพก็ตามจะเป็นผีก็ตามจะเป็นวิญญาณก็ตามเนี่ยความหมายเขาเหมือนกันหมดแหละความหมายเหมือนกันหมดทั้งท้งที่ความจริงไม่เหมือนกันเลยสามอย่างนี้แตกต่างกันไม่เหมือนกันเลยศพก็คือศพสี่ศพไม่ใช่ผีแล้วศพก็ไม่ใช่วิญญาณด้วยใช่ไหม ส่วนผีคนนี้ผีก็ไม่ใช่วิญญาณแล้วผีจริงๆก็ผีก็ไม่ใช่ศพด้วยอ่าเพราะฉะ น, นั้นเนี่ยมันเป็นความปนเปนะเอาเอาแยกให้ฟังคร่าวๆหน่อยก็แล้วกันอย่างศพเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วคนเรามีชีวิตอยู่พอตายไปก็ไปเป็นศพนะเป็นศพนี่เราก็รู้แล้วว่าเออเป็นศพนี่ก็คือไม่มีวิญญาณแล้วเพราะตอนมีชีวิตอยู่ก็คือ มีร่างกายใช่ไหมแล้วก็มีวิญญาณอยู่อ่าเราก็ถือว่าเป็นคนเป็ น, ปนแต่พอตายแล้วเนี่ยก็เหลือแต่ร่างร่างที่เป็นศพเนี่ยอ่าแล้วก็วิญญาณก็แล้วแต่เขาละนะเดี๋ยวเดี๋ยววิญญาณค่อยพูดถึงแล้นี้เอาเอ า, เอาแค่ศพก่อนเสร็จแล้วคนทําไมบางทีไปกลัวศพหรือกลายเป็นไปกลัวผีเพราะบางทีเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าศพเนี่ยยิ่งยิ่งตายไปแล้วเนี่ยบางที ไปเห็นซิดซีดบ้างใช่มเหลืองเหลืองบ้างเขียวเขียวบ้างยิ่งถ้าใครไปเคยไปดูเขาผ่าศพ บ, บ้างอะไรบ้างโอ้โหจะยิ่งบางทีไปจํามาไปจําไอ้สภาพที่น่าเกียดน่ากลัวหรือบางครั้งก็อาจจะไปเห็นอุบัติเหตุที่ไหนใชหมโอ้โหรถชนกันอย่างเงี้ยคนแขนขาดขาขาดเลือดอาบหรืออะไรเงี้คือพอไปเราเราไปเห็นศพพวกนี้เข้าเราก็จะมีความรู้สึกโอ้โห มันกลัวมันกลัวแล้วก็เลยผ่านพ่านแบบว่ากลัวผีคือคือคือไปจำมาว่าอุย้ยนี่เขาตายแล้วมันเขาตายแล้วเนี่ยเดี๋ยววิญญาณเขานี่วเขาจะมาเยี่ยมเราปะหรือเขาจะมาหาเราหรือปะเขาจะมาทำอะไรเราหรือปาแล้วก็ยังเชื่อเรื่องวิญญาณอย่างผิดๆอีกนะเขาก็เลยกลัวเขาก็เลยกลัวต่อไปอีกทั้งทั้งที่ความเป็นจริงแล้วบอกแล้วศพนี่ไม่ใช่ผี พอตายไปแล้วเนี่ยเหมือนอาตมาพูดในตอนต้นไม่รู้เรื่องอะไรทั้งนั้นแล้วต่อให้เราเนี่ยไปหยิกไปหยิกศพศพก็ไม่เจ็บอะไรนะต่อให้เอามีดเนี่ยไปกรีดเนื้อก็ไม่เจ็บอะไรคือเขาไม่ไ ม, ไม่ไม่รับรู้ไม่อะไรทั้งสิ้นกับเราแล้วนะอย่าไปเชื่อเหมือนหนังมันสร้างไอ้อะไรนะผีดิบมัง่งมัมมี่ไอ้แบบ ม, มัมมี่คืนชีพนะมัมมี่จริงๆมันไม่คืนชีพหรอก แต่ว่าไอ้ที่เขาสร้างเนี่ยเขาสร้างให้มันมันมีชีวิตขึ้นมานะแล้วก็แม่สามารถเดินได้อะไรได้จริงๆแล้วมันมันเดินได้ที่ไหนเล่าถ้าเดินได้เนี่ยป่านเนี่ยป่าช้าแตกหมดล้วที่ที่เขาฝังฝังกันเอาไว้เนี่ยนะที่ฝังเป็นศพอะที่เขาไม่เผาแล้วคนที่อยู่แถวข้างๆป่าชา้าอยู่ได้ยังไงอยู่ไม่ได้หรอกเพราะว่าเขาคงจะลุกขึ้นมาเยี่ยมเยียน <c oughs> เขาคงจะลุกขึ้นมาเยี่ยมเยียนเป็นแน่ แต่ความเป็นจริงเนี่ยฝังไปแล้วอะไรไปแล้วก็ลุกไม่ได้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยศพก็คือศพนะอย่าไปกลัวจริงๆเนี่ยคนเราเห็นศพโอ้โหเยอะแยะมากมายถ้าเราไม่คิดอะไรมากเราก็ไม่กลัวอยกตัวอย่างเราไปตลาดอย่างเงี้ยเห็นไหมศพเยอะแยะเลยเขาค่อยขายเต็มเลยศพหมูมั่งศพเป็ดมั่งศพไก่มั่งบางที อะไรอ่ะช้ำแหลดได้ซ้ําไปใช่ไหมโอโ้โหเอาตับไตไส้พุงอะไรมากรบงทียังโอโ้โหมีเลือดมีอะไรด้วยนะเราไปตลาดเจอเราเดินผ่านเลือกดูซะด้วยนะเลือกดูอีกต่างหากใช่ไหมเลือกดูว่าเอ๊ะเจ้าสักกี่กิโลหรือจะยังไงบ้างไม่เห็นกลัวอะไรเลยกลับมายังเอามาทํากินอร่อยเอเลตอร่อยซะอีกถูกไหมเออแล้วยังไงแล้วกินแล้วเป็นไง กินศพด้วยนะกินศพเข้าไปในตัวด้วยนะเข้าไปในกระเพาะเข้าไปในตับไตไส้พุงแล้วกลัวอะไรไหมล่ะก็ไม่กลัวถูกไหมเห็นไหมล่ะคนกับสัตว์ไม่ได้ต่างกันนะจริงๆค น, นยังพอพูดก็รู้เรื่องใช่ไหมแต่ถ้าสัตว์นี่พูดก็รู้เรื่องไหมพูดไม่รู้เรื่องเลยนะใครฆ่าใครเอาเข้ามากินเนี่ยมันจะไปยอมเหรอพราะพูดกับมันไม่รู้เรื่องถ้ามันเป็นผีจริงอะ่ะเป็นผีจริงอย่างที่คนกลัวคนเข้าใจ คุณจะเหลืออะไรต่อให้มายกตัวอย่างต่อให้คุณกินแค่หมูแค่เป็ดแค่ไก่เข้าไปในกระเพาะเนี่ยกระเพาะคุณจะเหลืออะไรแค่ไก่เนี่ยถ้ามันมีตัวตนนะมันเป็นผีแบบมันมีฤทธิ์มีอำนาจกระเพาะคุณทะลุไปนานแล้วมันคงจิกกระเพาะคุณทะลุแน่อแต่นี่เป็นไงไม่เห็นเป็นไรใช่ไหมล่ะเพราะนั้นนะ่ะถึงบอกว่าสมก็คือโศกเราจะต้องเข้าใจ นะต่นี้วิญญาณบอกแล้ววิญญาณนี่มีจริงๆทุกชีวิตนะที่เป็นคนเป็นสัตว์เนี่ยมีวิญญาณวันใครไม่มีวิญญาณก็คือตายแล้วถ้าหม า, าสุนัขตัวนี้ไม่มีวิญญาณสุนัขนี่ตายแล้วคนไม่มีวิญญาณก็คนตายแล้ววันวิญญาณนี่มีจริงๆแต่เมื่อคนหรือว่าสัตว์ก็ตามพอตายปั๊บ วิญญาณเนี่ยตอนที่เรามีชีวิตอยู่วิญญาณอยู่กับเราเนี่ยวิญญาณเป็นแบบไหนพอตอนตายปั๊บคุณว่าวิญญาณมันจะเปลี่ยนแปลงไปเลยไหมหมายถึงว่าเราชอบกินทุเรียนเราชอบกินส้ตมตำเราชอบไปเที่ยวไหนอย่างเงี้ยกูว่าวิญญาณมันจะเปลี่ยนเลยไหมเปลี่ยนไปอย่างอื่นเลยหมหรือว่าวิญญาณเนี่ยพอตายปุ๊บหน้าร่างกระทิ้งกระไว้ใช่ไหมวิญญาณเนี่ยมันยังเหมือนเดิมว่าถ้าชอบกิน ไอศครีมก็ยังคงชอบกินไอศครีมคุณว่าวิญญาณมันเหมือนเดิมไหมก็มันยังไม่เปลี่ยนอะไรเลยนี่ยถูกมจริงจริงเนี่ย ม, มั น, ม, นมันทิ้งไปแต่ล่างเท่านั้นเองเพอตะนนี้ผู้เจ้าถึงได้บอกว่าวิญญาณของคนเนี่ยเมื่อตายแล้วเนี่ยถึงไปตามกรรมเขาคือไปตามที่เขาสะสมถ้าเขาสะสมความชอบอะไรความชังอะไรความดีความชั่วอะไรไว้มันไปตามที่เขาทำอะแล้วเขาก็จะไปหาที่เกิดใหม่ทันทีเลยเขาไม่รอหรอก ทำไมเขาไม่รอคุณว่ามันสนุกมากเพราะว่าวิญญาณเนี่ยมันไม่มีรูปร่างมันไม่มีตัวตนนะอันนี้ผู้เจ้าท่านมีตรัสไว้เลยท่านบอกไว้ชัดเจนเลยแล้วจริงๆพอเราเอามาคิดเราก็จะเห็นความเป็นจริงเองว่าเออจริงๆด้วยเพราะวิญญาณมันไม่มีรูปร่างมันไม่มีตัวตนนะอสริลังอนิทัศนังนั้นคือไม่มีรูปร่างไม่มีตัวตนแล้ววิญญาณก็ เป็นอนัตตาซะด้วยนะเออคือเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้เลยว่าโอ้แล้วที่เรากลัวๆเนี่ยเราไปกลัววิญญาณเนี่ยซึ่งถ้าเราไปจํามาจากหนังละครอะไรต่างถ้าถ้าเขาสร้างหนังโดยที่ไม่เห็นเลยนะว่าวิญญาณมันมีรูปร่างยังไงเนี่ยคือถ้าเขาสร้างตามความเป็นจริงเนี่ยคุณดูหนังแล้วมันสนุกเปล่ามันไม่สนุกเพราะฉะนั้นเขาก็เลยต้องสร้างรูปรูปร่างของวิญญาณขึ้นมาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้จนกระทั่งในที่สุด พอเราดูหนังดูละครแล้วเราก็ไม่ศึกษาความเป็นจริงเนี่ยเราก็เลยจำจำไ ว, ว้ละจำมาเวลาโอ้ยวิ ญ, ญญาณมันเป็นอย่างนี้นะโอ้โหมันสามารถจัดการคนได้อย่างนั้นจัดการคนได้ยี้คราวนี้แหละคุณชักกลัววิญ ญ, ญาณละเพราะฉะนั้นพอมีคนตายเกิดขึ้นหรือว่าอะไรตายก็แล้วแต่สิ่งที่มีชีวิตเนี่ยเกิดขึ้นมาคุณก็กลัววิญ ญ, ญาณว่าโอ้โหเดี๋ยวจะมาทําร้ายเรา ท, ทั้งทั้งที่จะมาทําร้ายคุณยังไง มันมาหักคอคุณเรยก็วิญญาณไม่มีมือก็เอามือที่ไหนมาหักคอเรานะหรือว่าวิญญาณนี่จะมาเอามีดมาแทงเราแทงเราก็ไม่ได้ไม่มีมือไม่มีเท้าเดินมานะไม่มีมือมาจับมีดจะทำไงได้เพราะนั้นทำอะไรไม่ได้ถ้าขืนวิญญาณเนี่ยมีรูปร่างจริงอย่างความเชื่อของคนเรา โอ้โหคุณรู้ไหมอาตมาถึงบอกป่าเนี่ยกระเพาะก็กทะลุนะรวมไปทั้งใครอะที่ไปไปเบียดเบียนไปทำร้ายสัตว์อื่นๆเนี่ยนะเอาไว้ตังเยอะตังแย่เนี่ยคุณจะเหลืออะไรเพราะทุกชีวิตที่ตายไปเนี่ยจะเป็นสัตว์ประเภทไหนก็ตามหรือจะเป็นคนก็ตามที่เขาตายไปเนี่ยใครจะยอมแ่ะไปฆ่าเขาไปทำร้ายเขานะ ไปขูดรีดไปกินเลือดกินเนื้อเข้าอะไรต่างๆกันนะใครเขาจะยออไม่มีใครยอมหรอกเพราะนั้นเขาต้องมาเล่นงานเลยทันทีเลยแล้วไม่มีใครรอดเลยจะมายกตัวอย่างง่ายๆบ่อยๆเวลาเขาทําสงครามกันนะนะสมมุติอย่างอิรักกับอเมริกาเงี้ยอสมมตินะถ้าเขาทําสงครามกันสมมุติว่ า, เ อ, าอเมริกาเอาระเบิด ไปทิ้งอิรักโอ้โหคนอิรักตายสมมติแล้วคนอิรักที่ตายเนี่ยมันก็ต้องมีวิญญาณถูกปะ่ะอ่าวแล้ววิญญาณของพวกอิรักที่ตายจะยอมอเมริกาเหรอก็ไม่ยอมเพราะฉะนั้นวิญญาณพวกนี้ป่านนี้อัตมาว่าบุสกับบุษเถอะนะคงโดนเหล่าวิญญาณทั้งหลายที่ตายเนี่ยจัดการไปเรียบร้อยแล้วแต่ทีนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นวิญญาณมีจริง แต่คุณสมบัติหรือรูปร่างของวิญญาณจริงๆเนี่ยมันไม่มีตัวตนมันไม่มีรูปร่างนะมันมีแต่สภาวะในความรู้สึกของมันเองเท่านั้นของของของตัวเราเองเ่ยเหมือนเหมือนเราอย่างเงี้ยเรากําลังคิดอยู่อย่างเงี้ยใช่ไหมพรูเจ้าท่านเปรียบไว้อย่างนี้ท่านเปรียบเหมือนกับคนเวลาหลับเนี่ยท่า น, นอนหลับเนี่ยเวลาคุณหลับแล้วคุณฝันนะนะคุณฝันเรื่องนั้นเรื่องนี้เวลาคุณฝันอยู่เนี่ยสมมุติว่า เราฝันว่าเราไปเที่ยวไหนนะโอ้โหได้กินไอ้นั่นได้เที่ยวไอ้นี่นะคุณก็ฝันเนี่ยเป็นรูปร่างเลยใช่ไหมเป็นตัวตวนคุณไปเลยนะบางทีได้กินไอศครีมก็โอ้โหก็หลังอร่อยเลยนะกินไอศครีมแต่พอคุณตื่นจากฝันเนี่ยเป็นยังไง ไ, ไ, ไอรูปร่างที่คุณว่ามีเนะี่ยไอที่คุณคิดว่าโอ้โหได้กินไอศครีมเนี่ยเป็นยังไงหายหมดว่างเปล่าเพราะว่าจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรแต่มัน อยู่ที่คุณนึกเอาคุณคิดเอาคุณฝันเอาอันเนี้เป็นคำตรัสเลยพุทธเจ้าท่านเปรียบไว้เลยท่านบอกคนที่ตายไปแล้วเนี่ยเราก็ไม่มีทางเห็นเหมือนกับคนที่ตื่นจากความฝันที่ไม่มีทางที่จะพอตื่นจากความฝันแล้วก็จะไปเห็นความฝันนั้นอีกเนี่ยออกเป็นไปไม่ได้ไม่มีทางเนี่ยพุทธเจ้าท่านก็ยืนยันวันเนี่ยคราวเนี้ยพอเราเข้าใจเรื่องของวิ ญ, ญญาณขึ้นมาอีกเราก็เออก็จะได้ไม่ไม่ต้องไปหวาดกลัวเรื่องของบิญ ญ, ญาณ นะแต่วิญญาณมีจริงๆนะซึ่งบอกแล้วที่ทำไมพอคนเราตายปับ๊บหรือสัตว์ตายปับ๊บจะรีบไปหาที่เกิดเพราะว่ามันทุกข์ทรมานนะวิญญาณที่ไม่ไปผุดไปเกิดเนี่ยทุกข์ทรมานนั้นก็เหมือนกับเขาาใช้สำนวนว่าเหมือนกับสัตว์ <c oughs> นรกนะมันก็เล่าร้อนเพราะอะไรเพราะอยากกินไอ้นี่อะไรต่ออะไรอยู่ในจิตของตัวเองนะโอ้โหแต่ไม่มีมือไม่มี ปากไม่มีท้องไม่มีกระเพาะอะไรให้ดื่มให้กินให้เสพไปเลทั้งนั้นเลยโอ้โหทรมานขนาดไหนคุณคิดดูอยากจะพูดก็ไม่มีปากให้พูดอยากจะทําอะไรก็ทําอะไรไม่ได้เลยรวมไม่ทั้งตัวเองก็บางทียังห่วงกังวลนาะยังคิดถึงเครือญาติคิดถึงเพื่อนฝูงคิดถึงอะไรก็อยากจะเจอแต่ทํำยังไงเขาก็ไม่เห็นตัวเราเองเราก็ไม่รู้จะไปอะไรยังไงได้ มันเหมือนอยู่ในในเขาเรียกว่าเหมือนยันอยู่คลนภพไงเหมือนอยู่กับคนละโลกเลยั้นเพราะสภาพของวิญญาณเนี่ยพอคนเราตายแบบปั๊บรีบทันทีเลยหาที่เกิดได้ยังไงก็รีบหาที่เกิดจนกระทั่งเนี่ยเกิดเป็นคนก็ตามหรือเกิดเป็นสัตว์ก็ตามก็จะรีบเลยอะเพียงแต่ว่าซวยหน่อยก็ไปเกิดเป็นสัตว์อ่าเพราะว่าอะไรเพราะสั่งสมความอะไรอะ ความโลภความโกรธความหลงอะไรพวกเนี้ไว้มากมันมันยิ่งเล่าร้อนยิ่งมีความอยากนี่มากทนไม่ไหวเพราะฉะนั้นบางทีเอาแล้ววะเป็นสัตว์ก็เป็นสัตว์วะไปเลยทันทีเลยรีบรีบเข้าท้องป๊อเพื่อที่จะให้เกิดเลยเพราะว่ามันทนกับความอยากความปรารถนาของตัวเองที่มีอยู่เนี่ยไม่ไหวแต่คนที่ฝึกลดละมาบ้างถือศีลปฏิบัติธรรมบ้าง นะลดละความโรคความใคร่ความอยากอะไรต่งตางลงบ้างเนี่ยนะเออมันยังพอควบคุมได้ใช่ไหมมันยังพอที่จะแบบว่าเออไม่ไปโอ้โหใจร้อนใคร่อยากอะไรจนเกินไปนักนะแล้วก็คุณภาพพูดง่ายคุณภาพของวิญญาณก็ ก, ก็ก็สูงขึ้นหรือว่าดีขึ้นซึ่งเราก็เรียกว่าคุณภาพของวิญญาณที่ดีขึ้นเนี่ยเราก็เรียกว่าเป็นเหมือนกับเทวดานะคือคนที่มีจิตใจที่ที่สูงเขาเรียกว่าเทวดา เพราะนั้นเนี่ยไปหาที่เกิดมันก็จะได้เกิดเป็นร่างมนุษย์เป็นร่างคนอะไรอย่างนี้นั่นแหละเพราะถ้าเราเข้าใจเรื่องวิ ญ, ญญาณได้เราก็จะอ๋อนะก็จะได้ไม่ไปหลงหวาดกลัวคิดนูน่นคิดนี่จนกระทั่งบางทียังต้องมาทําบุญส่งให้ผู้ตายไปแล้วป่านนี้ไปเกิดถึงไหนแล้วก็ยังทําบุญส่งไปให้อยู่นั่นน่ะจริงๆแล้วไม่รู้ส่งให้ใครแต่ตัวเองเนี่ยคิดเอาเองว่าส่งไปให้ ให้ผู้นั้นผู้นี้ซึ่งอันเนี้ยเนี่ยจะเป็นความหลงผิดหรือยังเป็นความเข้าใจผิดอยู่เลยอันนี้แม้แต่อันเนี้ยก็มีในพระสูตรที่พระเจ้าท่านบอกไปเลยว่าไม่ถึงหรอกแล้วก็ส่งไปก็ไม่ได้พระเจ้าท่านยืนยันเลยว่าส่งไปไม่ได้โดยเฉพา ะ, ะผู้นั้นเนี่ยนะพูดง่ายๆถ้ายิงไปเกิดแล้วไปเกิดเป็นสัตว์แล้วก็ตามไปเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็ตามนะบอกว่าไม่ถึง เพราะว่าอะไรมันจะไปถึงได้ไงก็เขาไปเกิดแล้วไปถึงไหนไหนแล้วไอเรายังย้อนจมอยู่นี่แล้วก็อ่าทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ตายอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งไม่ใช่เลยแล้วไม่ใช่หลักการของาศาสนาพุทธด้วยเพียงแต่ว่าการทําบุญนั้นดีการทําบุญนั้นถูกต้องพระพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าผู้ที่ทําบุญนั้นน่ะผู้นั้นน่ะได้บุญนั้นเองแต่บอกว่าบุญเนี่ยจะแบ่งไปให้ผู้ที่ตายไปแล้วเนี่ย ผู้ตายไปไหนแล้วไม่ไม่ได้รับแล้ววันนี้เนี่ยถ้าเราเห็นไหมศึกษาเราก็ใจเรื่องของวิญญาณพวกนี้เราก็โอ้ทาให้บางทีน่าตัดภาระตัดความห่วงกังวลเพราะบางคนก็ยังกลัวกลัวจนกระทั่งต้องไปเที่ยวสเาะเคาไอ้นู่ไอ้นี่เพราะกลัวว่าเดี๋ยวบางทีพ่อแม่พี่น้องหรือคือญาติเราที่ตายไปแล้วเดี๋ยวเขาจะตกละกรมลําบากไม่มีน้ํากินไม่มีเสื้อใส่ไม่มีข้าวของเครื่องใช้ ก็เลยต้องโอ้โหส่งไปใหญ่เลยส่งไปให้ใครใส่ส่งไปให้ใครกินก็วิญญาณก็ไม่มีรูปร่างไม่มีตัวตนอะไรทั้งนั้นเนี่ยพราะพะนั้นเนี่ยคิดเลยนะพยายามคิดตามความเป็นจริงไม่ต้องเชื่อที่อาตมาพูดให้ฟังแต่ให้คิดตามความเป็นจริงว่าเออมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเพราะถ้าเราเข้าใจได้เนี่ยจะได้เลิกไม่ต้องไปเสียเงินเสียทองอันนี้ เรามาทําบุญเราก็รู้เลยว่าที่ทําบุญเนี่ยทําบุญให้คนเป็นไม่ใช่ทําบุญให้คนตายแล้วจริงๆคนเราเนี่ยนะบางทีเราก็ประมาทอีกอย่างนึงก็คือเรามักจะปล่อยเวลาตอนเป็นอยู่ร่วมกันเนี่ยจะพ่อแม่พี่น้องนะบางทีควรจะทําดีให้กันเนะชื่อฟังกันหรือว่าช่วยเหลือกันแล้วก็ปล่อยเวลามันผ่านไปผ่านไ ป, นไปจนกระทั่ง พัดพา ก, กันแล้วคนนี้ตายไปแล้วโอ้โหมาร้องหม่มร้องไห้เสียใจค่อยค่อยทําบุญส่งให้ตอนนี้อตอนอยู่ด้วยกันไม่ไม่ทําบุญให้ทําบุญให้ยังไงบ้างอะ่ะอ้าวบางทีก็แหมนะช่วยเหลือกันสิพูดดีๆกันสินะให้อภัยกันไม่ต้องมาโกรธเคืองกันอ่าบางทีมีอะไรที่พอที่จะแบ่งปันกันได้ก็แบ่งปันกันอย่างเงี้ยเนี่ยทําบุญตอนเป็นๆซึ่งกันและกันนี่เลย อย่าไปรอตายเพราะตายแล้วทําไปไม่ได้แล้วเขาไม่ได้รับหรอกส่วนที่ที่ได้รับก็คือเราทาแต่ตอนนี้เราทาก็ได้แต่ของเรานะผู้ที่ตายไปแล้วไม่สามารถจะได้รับอีกนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของบิน ญ, ญาณส่วนสุดท้ายผีก็บอกพอกแล้วผีนี่จริงๆแล้วมันไม่มีเลยมันไม่มันไม่มีในระบบสารระบบคำว่าผีมันเกิดจากคน ตั้งขึ้นมาและคนก็สร้างขึ้นมานะก็เล่ากันมาจนกระทั่งเป็นอุปทานของคนที่มีขึ้นมาแล้วก็น่ะก็เชื่อตามตามกันมาจนกระทั่งคราวนี้พอมีอุปทานแล้วคนเราเนี่ยพลังกิตมันมีจริงนะพงเพราะฉะนั้นคราวนี้ก็ปั้นได้ เ, าเขาเรียกว่าจิตเนี่ยมันสามารถที่จะปั้นขึ้นมาได้จนกระทั่งเห็นผีก็ได้กลัวผีก็ได้จนกระทั่งจนกระทั่งคราวนี้เนี่ยเป็นรูปร่างได้กลิ่นได้ยินเสียง อะไรได้ทั้งนั้นแหละแล้วแต่ว่าจิตคุณจะสร้างขึ้นซึ่งอันนี้นี่อาตมาบอกได้ชัดเจนเลยเพราะอะไรเพราะนายอดีตกลัวผีมาแล้ ว, ลวนั้นนายอดีตนี่กลัวผีกลัวมากๆากเลยนะโอ้เพราะเพราะงโง่มานานจนเน้มาศึกษาธรรมะเข้าใจธรรมะเลยเออค่อยค่อยปรับรจิตปัจจั่อยค่อยล้างไอ้อุปทานไอ้ความหลงผิดความหลงเชื่อเห็นผีก็เห็นมาแล้วอามาเองก็เห็นมาแล้ว แต่ก่อนก็เชื่อจริงๆว่ามันมันมีตัวตนอย่างนั้นมาได้กลนได้กลิ่นเนี่ยได้กินมาแล้วแต่พอเนี่ยพอรู้สัจจะรู้ความเป็นจริงเท่านั้นเนี่ยไม่รู้มันหายไปไหนหมดมันรูปผีมันหายจริงๆนะเออไม่กลัวแล้วก็ไม่ไปเห็นเหมือนเดิมเลยเพราะจริงๆมันไม่มีไงก็บอกแล้วแต่ที่มันมีแล้วที่เราเห็นเราไปเจออะไรเนี่ยเราปั้นสร้างขึ้นมาทั้งนั้นเลยจนกระทั่งถ้ากลัวเหมือนเหมือนกัน คิดเหมือนกันเนี่ยเห็นพ้องกันทั้งทีมเลยะนะกลัวใจกันทั้งทีมเลยก็ได้นะซึ่งอันนี้นะอาตมาก็อยากฝากเอาไว้เพราะว่าพวกเราเนี่ยถ้าศึกษาเข้าใจเรื่องของศพเรื่องของวิญญาเรื่องของผีแล้วก็ศึกษานะพระธรรมคาสอนของพู้เจ้าเจ้าเนี่ยให้ชัดเจนให้ถูกต้องแล้วก็ให้ดีแล้วนะจะทําให้ชีวิตของเรานะสามารถที่จะ นะเป็นอยู่ได้ภาสุขขึ้นทุกต่างๆในชีวิตรเรานะที่เราไปโดนโรคโดนอะไรหลอกเอาไว้เนี่ยมันก็จะค่อยๆตัดออกไปลดละออกไปจนกระทั่งในที่สุดนะเราก็สามารถที่จะอยู่ในโลกในสังคมนี้ได้นะอย่างเป็นคนที่มีทุกน้อยหรือในที่สุดจนกระทั่งทําให้ทุกข์ที่เราเป็นกิเลสเนี่ยที่เรากลัวหรือว่าเราไปเชื่ออะไรผิดเนี่ย หมดศูนย์ไปเลยเพราะฉะนั้นคราวนี้ก็เป็นคนที่พ้นทุกข์ได้คนที่พ้นทุกข์ได้อย่างนี้ผู้เจ้าท่านก็ถือว่าเป็นคนที่อยู่เหนือโลกนะเหนือโลกต่าโลกโลกีโล ก, โลกอะไรต่างๆที่เขายังงมงายที่เขายังหลอกลวงอยู่นั่นแหละแล้วเราก็จะเป็นคนที่มีความสุขได้อย่างแท้จริงน ะ, ะวันนี้สำหรับการสวดหน้าศพนะก็คงยุติไว้เพียงเท่านี้